ตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดสมโภตทีนิยกถาประจําวันพระให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาวันพระหนึ่งก็ควรจะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์ที่อยู่ในภายในจะได้นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือได้นำทาคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือได้ประสบาการณ์มาด้วยตนเองมาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนให้ได้ยินได้ฟังเพราะพวกเราท่านทั้งหลายจะเฉลียวฉลาดจะมีความรู้รอบคอบขึ้นมาได้ในหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง แต่วิชาอย่างอื่นนั้นก็พวกเราก็ได้เรียนได้ศึกษาตามความเหมาะสมหรือตามความสามารถของแต่ละคนแต่เรื่องของพระพุทธศาสนาก็เช่นกับวิชาอื่นๆเหมือนกันวิชานี้คือวิชาทางด้านจิตใจเป็นแนวทางคิดของทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นควรสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในหลักของพระพุทธศาสนา ในครั้งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุธรรมในยุคในสมัยนั้นก็ไม่มีการสนทนาปารบหรือว่าไม่มีการแสดงธรรมพอได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นส่วนมากเพราะยุคนั้นเป็นยุคเกรดเอพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดสรุธรรมก็ได้นาธรรมที่พระองค์ได้ตัดสร้ มาบอกกล่าวจริงๆ จ, จังๆและพวกท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีเก่าแก่มาแล้วสั่งสมมาแล้วตั้งแต่อนเอกนกชาติแต่ชาติที่แล้วไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติแต่พอมาชาตินี้ก็เหมือนกับดอกบัวพร้อมที่จะเบ่งบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็คืออะไรก็คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นในยุคสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ได้แสดงทำได้แสดงทำให้แก่พุทธบริษัทสี่จึงได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นจํานวนมากในยุคสมัยนั้นแต่ต่อมาพระสงฆ์สาวกพุทธบริษัทสี่ก็มากทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแต่นี้ต่างคนก็ต่างอยู่ก็ไม่ได้มีการคบค้าสมาคมกันเป็นเป็นเวื่อลำเวลาต่นี้พญาประ พระยาพิมพ์พิสารในกรุงราชคฤห์ท่านก็เห็นว่าศาสนาอื่นของเขาในยุคสมัยนั้นเขามีการประชุมกันเป็นครั้งคราวอย่างทุกวันนี้ก็คงจะเป็นอย่างศาสนาคริสเนี่ยเขาก็ต้องประชุมกันวันอาทิตย์อย่างนี้นแต่พุทธศาสน า, ายัางไม่มีการประชุมเพราะพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาใหม่พระเจ้าพิมพ์พิสารเขาบอพุทธบริษัทนี่ควรจะ มีการประชุมหารือกันเป็นครั้งคราวเป็นบางวันจัดวันขึ้นมาดีไหมพระเจ้าขา่านก็เลยขึ้นไปเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งเออเอาดีก็เลยบัญญัติขึ้นมาว่าทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ําพุทธบริษัทสี่ควรจะประชุมกันปรึกษาปารบกันสนทนาปรับรบกันสนทนาธรรมกันอ ธรรมชากัดฉาคือว่าปรึกษากันศึกษากันในธรรมใครรู้อะไรเอามาก็อธิบายหรือว่าแสดงธรรมให้กันฟังในวันแปดคำ่ำสิบห้าค่ำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เลยถือเป็นประเพณีกันมาตั้งแต่ยุคการสมัยนั้นนี่แหละถ้าจะว่าไปพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมองเหตุมองผล ถึงว่าใครก็ตามถ้าว่าใครดีกว่าในจุดเนี้ยที่ว่าเขามีการประชุมกันทุกวันพระอย่างนี้แล้วทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ด้วยว่าเขานัดกันเป็นวันอย่างนี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็เออมีประโยชน์เพราะว่าการหาสมาคมกันในทางที่ถูกต้องคนถ้าว่าต่างคนต่างอยู่หันหลังแหกกันไม่หันหน้าเข้าหากันเถึงจะเจริญรุ่งเรืองมีความรู้ความฉลาดขนาดไหน ก็เป็นความรู้ที่แตกขนแขนงไปในความคิดแต่ละท่านแต่ละคนเพ้อเพอก็กลุ่มของใครของเราเป็นผู้แนะนำสั่งสอนไม่ได้เอาคุณงามความดีหันเข้ามาหากันศาสนาของพุทธหรือว่าวิชาขนแขนงนั้นที่จะเป็นวิชาที่โดดเด่นก็กลับเป็นมันแตกขนแขนงกันไปแนวความคิดก็จะไม่เข้ากัน แต่นี้ทางว่าทุกคนมีความรู้ความฉลาดได้ศึกษามาแนวแถวเดียวกันก็มาปรึกษามาประพฤติปฏิบัติแล้วมันแตกขแขนงออกไปอย่างไรก็หันหน้าเข้าหากันหันความรู้ความสามารถความฉลาดปัญญาเข้าหากันแล้วก็ผลึกให้แน่นมีการสนทนาปราัรบกันนี่แหละอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาพุทธองค์ได้นําประเพณี ของศาสนาอื่นในยุคนั้นสมัยนั้นเข้ามาให้พุทธบริ ษ, ษัทสีของพระพุทธองค์ได้มีการไปชมกันไหว้พระแต่สมัยนั้นก็คงจะไม่ไหว้พระก็คงจะถือดอกไม้ทูบเทียนไปการาบคารวะพระพุทธเจ้าจากนั้นก็พระองค์ก็ขึ้นแสดงธรรมให้พุทธบริ ษ, ษัทสี่ฟังเมื่อก่อนที่จะแสดงธรรมพระพุทธองค์ก็ได้ มองดูในพุทธบริษัทนั้นว่าผู้ใดมีบาบรารมีแก่กล้าพร้อมที่จะรับทมในวันนี้ที่จะได้รับจะได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลในวันนี้มีไหมลองลองมาก็พูดถึงพระไตสรสาระคมหรือว่าจะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธองค์ก็จะมองดูอมองดูด้วยญาณญาณทัศนนะของพระองค์ คือตาทิพย์หูทิพย์ของพระองค์เใจที่เป็นทิพย์ของพระองค์มองดูพุทธบริษัทโอคนนี้เป็นผููมีบาลมีแก่กล้าแล้วพร้อมที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในวันนี้ถ้าเราแสดงธรรมถูกจุดถูกจุ ด, จดตรงนั้นแต่นี้พระองค์ก็ได้แสดงธรรมเน้นไปนสู่จุดนั้นเป็นเป็นจุดเด็ดในเมื่อท่านผู้นั้นได้ฟังก็เข้าใจพอเข้าใจก็ รู้สึกจิตใจก็โดดเด่นปล่อยวางได้สำเร็จมรรคผลตามบุญปรามีของแต่ละท่านที่ได้สั่งสมมาพร้อมที่จะขึ้นในระดับไหนในช่วงนั้นขณะนั้นเวลานั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เทศนาว่าการในครั้งพุทธกาลลักษณะเรื่องคํานองนี่แหละจากนั้นก็พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่นาทีใดโดยมากพุทธบริษัท4่จะเข้ามาประชุม ตอนเย็นรือวัาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอันนี้คือเป็นประเพณีจากนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสงฆ์ออกไปได้ประกาศพระาศาสนาอยู่ในชุมชนใดก็ประกาศในชุมชนนั้นเข้ามาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างวันพระหนึ่งอย่างนี้ก็ได้มาทำไหว้พระคือนัดกันมาไหว้พระระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ จากนั้นก็ผู้เป็นประธานสงฆ์หรือองค์ใดพอที่จะแสดงธรรมพอที่จะแสดงเหตุและผลให้แก่พวกพุทธบริษัทสี่ได้ยินได้ฟังก็เป็นผู้แสดงให้ฟังว่าธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากมายถ้าจะว่าไปนะคือมากคือ8พันพระธรรมขันธ คือว่าเป็นขันเป็นหมวดเป็นกลุ่มเป็นวักที่จะนำมาแสดงให้แก่พุทธบริษัทสี่ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นองค์หนึ่งก็หยิบองค์มุมหนึ่งมาพูดองค์หนึ่งก็ได้เอาเรื่องหนึ่งมาอธิบายให้ฟังสุดแท้แต่องค์ไหนจะเอามาให้ได้ยินได้ฟังแต่พวกเราพุทธบริษัทสี่ตั้ง อ, อกตั้งใจฟังเท่านั้นนะฟัง ฟังธรรมคาสั่งสอนว่าพระพุทธเจ้าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านเทศในท่านมีความแนวความคิดอย่างไรในท่านสอนอย่างไรในพุทธบริษัทสี่แต่ละแต่ละระดับระดับต่ำระดับกลางระดับสูงระดับสูงคืออะไรระดับสูงก็คือผู้ที่เข้ามาปฏิบัติส่วนในก็คือเป็นพระภิกษุหรือเป็นภิกษุณีในยุคสมัยนั้นท่านก็ เทศให้ฟังให้ละปล่อยวางให้เน้นไปทางศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าพระที่อยู่ข้างในไม่มีอะไรที่จะยึดทางโลกแล้วชีวิตทั้งชีวิตชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเนื่องด้วยผู้อื่นก็คือเวลาบินทบาทมาฉันเราไม่ได้ทําไร่ทำนาทํารัว้วทําสวนทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาค้าขายอันนี้คือพระ เมื่อเขามาบวชแล้วก็ตั้ง อ, อกตั้งใจสมาทานศีลจากนั้นก่อชีวิตก็เป็นอยู่กับครวะญาติโยมผู้ที่เขาจะถวายแต่ท่านก็ไม่ได้ร้องขอไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนสุดแท้แต่สตาญาติโยมจะถวายอย่างไรท่านก็ฉันอย่างนั้นท่านก็ใช้อย่างนั้นท่านก็ยังมีพระพุทธเจ้ายังบอกว่า พวกเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเพราะพระเจ้ามาให้เลี้ยงยากเลี้ยงง่ายมีอะไรก็ฉันพอฉันแล้วก็อ้าวจบจากนั้นก็ทั้งอกตั้งใจภาวนาส่วนคณะสัตยาติโยมเห็นพระสงฆ์หรือเห็นภิกษุณีในยุคสมัยนั้นก็เห็นเออท่านเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งในศีลธรรมจากนั้นก็ทําบุญทำทาน เพื่ อ, อยังชีพพวกเรามีอยู่มีกินมีใช้แล้วก็ทําบุญทําทานถวายทานให้กับท่านเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพราะพวกเราทําอย่างท่านไม่ได้แต่พวกท่านที่ท่านเข้ามาแล้วท่านเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ไม่ยึดติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท่านเป็นผู้เล่งภาวนารักษาศินภาวนาของท่านแต่พวกเรายังติดข้องอยู่ในโลก มากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นครวัตญาตโยมก็เอา้าพร้อมที่จะสนับสนุนที่พระสงฆ์หรือภิกษุณีในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้ต่อมาก็ลักษณะนั้นเหมือนกันนั่นแหละอันนี้คือการเกื้อกูลหนุนกันค ร, รวัตศรัทธาญาตโยมเกื้อกูลหนุนพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ที่บวชมาในพระพุทธศาสนา อันนี้พระพุทธเจ้าก็เน้นหนักอีกทีนึงเมื่อเราก็บมาบวชในพพุทธศาสนาแล้วให้เป็นผู้ดำรงอยู่ในศีลธรรมศีลลิศีลธรรมของพระพุทธเจ้าศีลก็คือศีลสองยี่เจ็ดคือศีลพระสงฆ์ถ้าว่าพวกเราทําไม่ถูกต้องต่อศีลธรรมแล้วมันก็ไม่แพ้ครวัตญาติโยมเขาแล้วเขาจะทําบุญเขาจะกราบเราลงได้อย่างไรแต่ถ้าว่าเรา ปฏิบัติให้ถูกต้องตามศีลธรรมแล้วคารวาสญาติโยมเขาจึงกราบไหว้พระสงฆ์ด้วยความสนิทใจเพราะเหตุใดเพราะพระสงฆ์ทําเหนือกว่าเขาปฏิบัติยิ่งกว่าเขาทําใจให้สูงกว่าเขามีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมอันนี้ก็คือผูกพระสงฆ์ที่อยู่ภายในไม่ใช่ว่าพวกเราบวชเข้ามาแล้วสิ่งที่คารวาสเขาทําตัวเองก็ไปทําอย่างคารวาสเขาแล้วก็ ไปบิณฑบาตฉันกับชาวบ้านเขาอีกแต่ทําตัวไม่เหนือจากชาวบ้านเขาอันนี้แปลว่าบวชเข้ามาแล้วเอาเปรียบชาวบ้านอพระสงฆ์องค์นั้นกลุ่มนั้นคณะนั้นหรือว่าในยุคนั้นทําตนเหมือนกับชาวบ้านไม่ปฏิบัติตนให้เหนือกว่าเขาแต่ก็มาอยู่อย่างพระอาศัยผ้าเหลืองอาศัยทำคําสังสอนของพระเจ้า พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรไม่เอาอย่างนั้นถ้าไม่ถูกใจตัวเองไม่เอาถือว่ามันไม่ถูกเอี่ยนี้เขามาพูดว่าอา้าสมัยก่อนครั้งพุทธการนะครั้งพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บัญญัติวินัยอย่างนี้หรอกเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรูปใหม่ท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้กล่าวมีแต่ท่านเทศธรรมแเลยก็ฟังได้สําเร็จแล้วก็จบวินัยไม่มีนู่นเอายุคสมัยดึกตําบันมาพูดตัวเองก็เลยไม่มี ศีลไม่มีทำไม่มีคุณภาพอะไรเลยอยู่แบบป่าเถื่อนไปท่านเนี่ออยู่แบบครวาดญาติโยมไปอย่างนั้นมันไม่ถูกนะเราเป็นพระนะในเมื่อพระพุทธเจ้าได้บัญญัติศีลและวินัยขึ้นมาอย่างไรแล้วพวกเราก็ควรจะปฏิบัติตามศีลและวินัยให้เคร่งครัดถ้าเราทำตัวเคร่งครัดในศีนลและวินัยไม่ได้เราก็ไม่ควรจะอยู่ในพุทธศาสนาเราอยู่ทาไหมมันขวางทาให้คนอื่น พุทธบริษัทสีอุบาสุอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมเขาใส่บาตรทำบุญกับเหมือนกับตัวเองเหมือนกับคารวาดอย่างนั้นแหละเพราะตัวเองไม่มีไม่มีศิลไม่มีศิลในตัวเองทำตนไม่ดีทำตนไม่เหมาะสมอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าตาหนิเพราะพระพุทธเจ้าโมฆะภิษุเปลี้ยวฟัผู้เ ป, ปล่าประโยชน์โมฆะบุรุษ บุรุษคือเป็นผู้เปล่าประโยชน์ในธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านประนามท่านพูดให้แก่พระสงฆ์ถึงขนาดท่านทำว่าพวกเราได้ศึกษาได้อ่านในพระไตรปิฎกเราจะเห็นคำอย่างนี้บ่อยมากในพระไตรปิฎกเพราะนั้นพวกเราเป็นฝ่ายพระสงฆ์ที่เข้ามาสู่ภายในหรือว่าเข้ามาสู่วงในกลุ่มพระสงฆ์ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ที่เข้ามาบวชแล้วให้เป็นสงฆ์จริงๆถึงจะเป็นมาบวชเป็นช่วงครั้งช่วงคราวมาบวชเพียงสามเดือนหรือสิบห้าวันก็ให้เป็นสงฆ์ในขณะที่บวชเกายวายาใจใจของเราให้อยู่ในกราะของหลักพระธรรมวินัยให้เป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัทสี่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอย่าให้มีเรื่องราว เ, เดี๋ยวนี้บางสิ่งบางอย่างบางแห่ง พระสงฆ์ทําออกนอกกลุ่นนอกทางไม่รู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระสงฆ์ก็ทําพระก็ทำํำแต่ทีนี้เรากมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าจะว่าไปก็คือพระสงฆ์กลุ่มนั้นกลุ่มทุกกลุ่มก็คืออยูนิฟอร์มเดียวกันไม่รู้องค์ไหนผิดองค์ไหนถูกกระทาให้พุทธบริษัทสี่เห็นองค์ที่กระทําผิดนั้นเอื่อมละอ่าก็ถอย คลายคลายศรัทธาไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ทำให้ผู้ที่เขาคลายนั้นทำให้เสียอนาคตโดยเสียส่วนบุญส่วนกุศลของเขาเพราะเหตุไรเพราะทำเพราะเราไปทำตัวไม่ดีให้แก่เขาไม่นับถือเลื่อมใสศรัทธาสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพระหมู่เพื่อนลูกหลานทุกๆองค์น่ะให้ช่วย่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนา แล้วก็พวกศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันก็ให้มองมองหลักธรรมพินัยเป็นหลักอย่าไปมองไปเรื่องใสศรัทธาแบบหลับหูหลับตาอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องมองหลักธรรมพินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรถ้าว่าพระสงฆ์องค์นั้นทาไม่ถูกเราก็พร้อมที่จะประนามเพราะเราเป็นพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกา พร้อมที่จะแนะนําพร้อมที่จะบอกกล่าวเพราะอันนี้ท่านไม่ทําไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยนะเอออย่างนี้อไม่ใช่ว่าร้ายช่างชีดีสร้างสง์ท่านทําอะไรก็ทําไปเหยียบย่ําหลักธรรมวินัยก็เขารบนับถือเลื่อมใสไปออย่างนั้นอฟังตั้งแต่ว่าเขาขี้อวดเอเป็นอย่างงู้นขี้อวดเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่ได้อักดูอักลับกิริยาการกระทําของ สงเหล่านั้นตามให้จริงใจถ้าใจเป็นธรรมแล้วกายวาจาก็ต้องต อ, อกเป็นธรรมจะต้องเคารพในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนี้คือไม่ใช่ศาสนาของเราไม่ใช่เราเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของพุทธพระพุทธเจ้าเมื่อท่านบัญญัติแล้วเราจะพอใจไม่พอใจอย่างไรในจุดนั้นเราก็ต้องปฏิบัติ ต, ตามทำคาสั่งสอนของท่านถ้าเราไม่พอใจ ใคร่ะให้เราอยู่เราก็ออกสิออกจากยูนิฟอร์มนี่สิจะไปตั้งศาสนาอื่นใดก็ได้ชัยชุดสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรก็ว่ากันไปแต่เมื่อเราอยู่ในยูนิฟอร์มนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามยูนิฟอร์มนี้อะนี่แหละข อ, ขอให้พุทธบริษัทสีทั้งหลายให้หูแจ้งตาสว่างให้มีศีลธรรมใน จ, ใจิตใจให้เอาหลักพระธรรมวินัยมาศึกษา โดยเฉพาะอย่างที่พลที่เคยบวชมาแล้วนะ่ะให้ศึกษาถ้าองค์ไหนเดินผิดออกจากหลักพระธรรมวินัยออกนอกรูนอกทางแล้วนั่นแหละองค์นั้นแปลว่าไม่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วไม่มีศีลแล้วจะมีธรรมได้อย่างไรศีลและธรรมเป็นของคู่กันเพราะนั้นอันนี้ก็ขอฝากไว้กับชุมชนสังคมพวกลูกพวกหลานชาตญาติโยมทุกท่านนะถ้าจะว่าไปแลวเหมือนกับประนามพระสงฆ์ไม่ใช่ เราเป็นพุทธบริษัทสี่ต้องกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันถ้าว่าพวกเราไม่กล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วมีแต่หันหลังให้กันและก็นซุบซิบซุบซิบซุบซิบเลยมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าว่าพวกเราเห็นองค์ไหนก็ทําผิดแล้วพวกเราก็เออเอาช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวช่วยกันตักเตือนนี่แหะคือพุทธบริษัทสี่เป็นผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนา แต่สำหรับศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ให้ทานเนอรักษาศีลภาวนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาวัดในวันนี้ก็ได้มาทำบุญทำทานตักบาตรและก็พร้อมกันก็พร้อมที่จะอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศานายาตของเราที่หลวงรับไปอันนี้ก็คือเป็นประเพณีพวกเราที่เป็นครวาตมีภาระทุระหน้าที่การงานมาก ได้ทําได้ขนาดนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากถือว่าเป็นพุทธบริษัทสี่อยู่วงนอกเป็นยึดพระพุทธเจ้ า, าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะเป็นที่พึ่งอไม่ถือศาสดาหรือศาสนาอื่นเออันนี้ก็คือพุทธบริษัทสี่ไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ได้ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทํา ถ้าเราทําดีแล้วมันจะไปไหนมันก็ต้องดีถ้าทําเราทํากรรมชั่วแล้วเอีมันจะได้ดีได้อย่างไรเอถ้าได้ดีก็ทไถ ด, ดีแบบปลอกๆแบบจอมปลอมตัวเองนั่นแหละเพราะนั้นขอให้พุทธบริษัทศรีนะัทธา ญ, ญาิโยมนะให้เชื่อมั่นในการกระทําของตนเองอืมถามว่าพวกเราทําดีแล้วทําไมเจ็บใข้ได้ป่วยอันนั้นมันห้ามไม่ได้ถึงจะใครก็ตามเถอะ เอจะเป็นศาสตราอย่างพระพุทธเจ้าเพราะยังเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าใั่ว่าเรามีความแก่ความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาธรรมดาแค่แค่โรกทั่วไปก็ปต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหักห้ามได้ถ้าว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้มันเป็นยังไง ร, รักษานลยรักษาแล้วมันไม่หายไม่หายจะเป็นยังไงเออคงจะกลั่มของเราในอดีตชาติ เราคงทํากลัมไม่ไม่ดีในอดีตชาติเพราะฉะนั้นชาตินี้เราจึงได้รับผลของกลัมใ น, ในการกระทําของเราเพราะว่าถ้าหวังพระพุทธเจ้ามีญาณทัศนะหรือพระอรหันท่านมีญานาทชนะท่านก็จะบ่งบอกว่าเออกลัมตัวนี้ของเราเราคงจะได้ทํากับเขาไว้ในอดีตชาติอคงจะได้ฆ่าได้ทุบตีเขามาก่อนในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันทรสาวกท่านก็จบอกกล่าวให้แก่พวกเรา เอาเถอะเราอย่าไปรู้เถอะถ้าทำกรรมไม่ดีไว้แล้วกรรมไม่ดีก็ต้องตามสนองเราอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาก ต, กตังยยตตลุกกตังเซยโยปัตชาตปติทุกกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผานติดตามาไล่ตามติดตามเรามาเผ า, าผานเราเมื่อภายหลัง เ, เพราะฉะนั้นอย่าทำาสิ่งที่มันไม่ดี กลัมคือการกระทําแล้วพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดนี้อย่างมากเพราะฉะนั้นควรพวกเราควรจะทจากกําแต่กลัมดีกลัมดีนั่นคืออะไรให้ทานให้ทานมีหลายอย่างอภัยทานวิทยาทานธรรมทานให้ทานจิตุปัจจัยข้าวน้าโภชนะอาหารล้วนแล้วจะเป็นทานและจากนั้นก็ปฏิบัติบิดามารดา ของตนเองอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะการปฏิบัติบิดามารดาท่านว่าพ่อแม่เป็นพระหันของบุทธิดาเราจะมองข้ามไม่ได้จุดนี้ปฏิบัติด้วยความเคารพรักเคารพต่อบิดามารดาถ้าเมื่อท่านได้เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังไม่ให้ถอดทิ้งอีก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านเนี่ยพวกเราท่านทางหลายท่านเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วอย่างมาทำบุญในวันนี้ละที่มาตักบาตร เ, เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเราขอน้อมจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ของพวกเราที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาแต่ท่านล่วงลับไปแล้วบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ี่พ่อแม่ของเราตกทุกข์ได้ยากอย่างไรวิ ญ, ญญาณของพ่อแม่ ไปสิง ส, สถิตยุณถิ่นใดตกทุกข์ใดยากขอขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราได้ทําบุญข้าพเจ้าได้ทําบุญในวันนี้นี่แหละอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าพ่อถึงจะพ่อแม่จะล้มหายตายจากไปแล้วก็จริงแต่ร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้านเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นมันยังมีอยู่สมบัติของพ่อแม่ที่ให้เราน่ย มีอยู่นะเพราะฉนั้นเราเอาสมบัตินี้มาทําบุญมาตักบาตรมาสร้างบุญสร้างกุศลเราก็ควรจะอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของพวกเรานะนี่แหละสําหรับฆราวาสญาโจงคือทานแล้วะศีลคือซึ่งรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยการรักษาศีลในปัจจุบันเราเป็นไปณสถานที่ใดชุมชนไหนเขาก็ยอมรับว่านี่เป็นคนมีศีล เขาคงไม่มาฆ่ามาขาโมยมาประพฤติละลาบละล่วงลูกหลานของพวกเราเขาคงไม่โกหกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาไม่ดื่มสุราอย่างนี้เป็นตน้นเราไปนสถานที่ใดชุมชนนั้นเขาก็ยอมรับทุกแห่งหนเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นผู้มีสินนี่แหละสินในปัจจุบันคุ้มครองไปนสถานที่ใดเขาก็ไม่ระแวงระแวงแคลงใจเพราะ เ, เราเป็นผู้มีสิน จากนั้นอั น, นิสงสินเกิดมาพบนายชาตินาอั น, นิสงสินนี่กับคุ้มครองเราเกิดไปในพบนาอายุของเราก็ยืนยืนนานเราก็ไม่ทุกพลภาพทั้งร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอไม่เสียอวัยะวะแข้งขาตีนมือหูจมูกอะไรเพราะเรารักษาศินดีสินคุ้มครองในอนาคตด้วยอนี่แหละอาทิตนาทาน ศีลก็คุ้มครองอีกสมบัติของเราไปไว้นะที่ใดก็ไม่มีใครขโมยโโพยโจรออกไปเขาเพราะเราไม่เคยทำให้แก่เขาศีลคุ้มครองะอันนี้สงศีลคุ้มครองศีลอันนี้สงทานอันนี้สงศีลเนี่ยมันเป็นพลังนะมันเป็นพลังที่เรามองไม่เห็นแต่คุ้มครองการเป็นอยู่ของพวกเราให้ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทสีศรัทธา ญ, ญาติโยม พระสงฆ์ทุกรูปทุกท่านก็ขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อเป็นพระสงฆ์ก็ปฏิบัติอย่างให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมสรุปแล้วก็คือเป็นพระสงฆ์ก็ให้กราบตัวเองได้การกระทำอย่างนี้ข้าไปเจ้ากราบเข้าไปเจ้าได้ไหมในการกระทาอย่างนี้ถ้าว่าเราเป็นฆราวาสเราจะกราบเราลงไหมถ้าเราทำอย่างนี้ อันนี้แปลว่าให้ดูตนเท่าโอเข้าไปเจ้ากราบเข้าไปเจ้าได้เลยในการปฏิบัติศีลธรรมอย่างนี้เพราะเข้าไปเจ้ามุ่งมั่นในศีลธรรมจริงๆเข้าไปเจ้ากราบเข้าไปเจ้าได้อย่างสนิทใจในเมื่อข้าไปเจ้ากราบเข้าไปเจ้าได้สนิทใจคนอื่นเขาก็กราบลงได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าตัวเองยังกราบตัวเองไม่ลงโอยเข้าไปเจ้าทําอย่างเนี้มีที่รับมีที่แจ้งไม่มีไม่มีศีลมีธรรมอย่างนี้ ข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าไม่ลงขนาดตัวเองยังกราบตัวเองไม่ลงแล้วจะให้คนอื่นกราบ เ, เราจะมไม่กระดาษบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดเหมือนกันนะฝ่ายพระสงฆ์นะแล้วก็พร้อมกันฝ่ายฆราวาสญาติโยม อ, อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตามสมควรในฐานะของตนเองเพราะเหตุใดเพราะเรามีภาระธุระมากก็รู้อยู่แล้วว่ามีภาระธุระมากแต่ถึงยังไงก็ย่ า, ย, าปยปล่อยปะละเลย เพราะว่าพญามัจจุราชพญายมมาทูตไม่ได้เลือกว่าเอ้ยพวกนี้มันมีธุระมากข้าไม่ไปใกล้เขาหรอกปล่อยให้เขาอยู่ตามสบายเถอะพญายมมาทูตมาได้ว่าอย่างนั้นย่องตามหลังอยู่ตลอดไปล่าเวลาไม่รู้ว่าวันไหนแหละเดี๋ยวก็บกรชากคนนนเดี๋ยวก็บกระากคนนี่บางคนก็ยังมีธุระการงานยังเต็มไม้เต็มมืออยู่ก็มาอวดโนอีกโอ้ย ข้าพเจ้าไม่น่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักขนาดนี้เพราะธุระการงานของข้าพเจ้าก็ยังมากอยู่และอีกหนึ่งข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ทํากรรมชั่วเสียหายอะไรแอมอย่างพูดอย่างนั้นอีกแต่ทำยังไงได้นะเราไม่ได้แต่งเอามันเป็นของพระยาเม จ, จุราชย ม, มทูตเอมากระชากเอาไปแล้วเพราะว่าบาปกรรมของเราในอดีตไม่มีใครรู้ว่าข้าพเจ้ า, าทําอะไร ให้กับใครไว้ในอดีตชาติทํากรรมอันไหนไว้เคยฆ่าสัตว์เคยท ร, รมานสัตว์เคยทุบตีสัตว์เคยรังแกสัตว์อย่างนี้กระด้วนแล้วจะทําให้ร่างกายของตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถึงยังไงก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วว่ากรรมสิ่งที่กระทําไปนั้นมันจะเข้ามาหาตัวของเราเองการคิดการกระทํา การคิดการพูดการกระทำทุกอย่างที่มันไม่ดีเราพยายามสกัดออกอย่าให้อยู่ในตัวของพวกเรานะแล้วก็เย็นวันนี้ก็เป็นวันพระพวกเราก็คงจะมีการไหว้พระสวดมนต์ถ้าเป็นไปได้วันพระทุกวันพระทวารจัตไายญาติโยมมาไหว้พระรักษาสินได้ก็ดีถ้ามาไม่ได้เอออ้าวข้าพเจ้ายินดีอนุโมทนาผูกคน ที่เข้ามาวัดสุวัดวาศาสนาเพราะข้าพเจ้ายังมีภาระธุระโยเนี่แหละอนุโมทนาสิ่งที่เขาทําคุณงามความดีต่อไปภายภาคหน้าคุณงามความดีใครๆก็ต้องการทั้งหมดบุญกุศลนะบุญกุศลคือคุณงามความดีนั่นคือบุญกุศลบาปอกุศลจะให้ผลใครๆก็ไม่ต้องการเพราะความเดือดร้อนบาปคือความทุกข์ยากลําบากทางด้านจิตใจเขาทุกเป็นยังไง จัดศาลาสินทกเป็นยังไงเราทุกเป็นยังไงไม่มีใครต้องการทั้งนั้นแหละทุกนะแต่ต้องการความสนุกสบายสะดวกสบายร่มเย็นเป็นสุขคือบุญกุศลเกื้อกูลหนุนภายในใพวกเราพุทธศาสนิกชนจต่าญาติโยมหนะ้าให้เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจสังสมคุณงามความดี mm hmm. อหลวงพ่อเคยพูดย้ำชุดท้ายว่าตายแล้วไม่สูญนะคำนี้ฟังเอาไว้ เป็นวัน ล, ลีของหลวงพ่ออินว่างั้นเออะโดยมากครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ค่อยพูดแต่วัน ล, ลีของหลวงพ่ออินน่ะตายแล้วไม่สูญน ะ, ะตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีให้พวกเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบดูเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้จึงจะเห็นได้ด้วยตนเองนะ อ่ะตอนนี้ไปรับพรโมทนาให้พร